ที่เห็นว่าทอรประกายดั่งดวงดาวที่แท้มันคือความลวงจากดวงไฟแผ่นฟ้าในเมืองห่งฝันยิ่งย้ำให้ฉันยิงเงาจากใจโอ้อยากพบดวงดาวจริงๆที่เต็มฟ้าเหนื่อยล้า ก, กับความเป็นจริงที่โหดร้าย ไว่ควาจนเกินกว่าฝันแต่ฉันก็ยังไม่ได้อะไรฮคิดถึงไออุ่คิดถึงกลิ่นดินตรงที่ฉันน้ำพลัดพรากมาไกลคิดถึงออมกอของเธอคนนั้นคนที่รู้ว่าฉันทำเพื่อใครร้อนแรงมาเนินนานคิดถึงแอบขาดใจบ้านี้ ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความผูกพันความห่วยนานเท่าไรรู้ไหมฉันยังจดจำรู้ไหมฉันยังไม่ลืมตรงนี้ยังเหมืดมนยังในหนาวเงาเลือกันมีคนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมายยังเงาในใจเท่าไรยังคิดถึงเธอ ชีวิตคณเราทำไมต้องแค้นคันรอยยิ้มคุณเราทำไมไม่จริงใจแต่ฉันจะต้องอดทนและฉันก็ยังต้องสู้ต่อไปโฮโฮคิดถึงไออุ่นคิดถึงเลนดี้ตรงที่ฉันน้ำพลาดพรามากไกลคิดถึงอ้อมกอดของเธอคนนั้น คนที่รู้ว่าฉันทำเพื่อใครร้อนแรงมาเห น, นือนนคิดถึงแทบขาดใจบ้านนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความผูกพันความห่วงในานเท่าไรรู้ไหมฉันยังจดจำรู้ไหมฉันยังไม่ลืมตรงนี้ยังมืดมนยังหน็กหนาวงา มีคนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมาย อ่อมกอดของเธอคนนั้นคนที่รู้ว่าฉันทำเพื่อใครร้อนแรนมาเนิ่นนานคิดถึงแทบขาดใจบ้านนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไลความผูกพันความห่วงไยนานเท่าไรรู้ไหมฉันยังจดจำรู้ไหมฉันยังไม่ลื้ ยังเือนบนยังหน็ดเงนาเหงาเลือ ก, กันมีคนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมายยิงเหงาในใจเท่าไรยั่งคิดถึงเธอ เป็นอย่างไรเมื่ออยู่ไกลแสนไกลความผูกพันความห่วงใยนานเท่าไรรู้ไหมฉันยังจดจำรู้ไหมฉันยังไม่ลืมตรงนี้ยังเหมืนมนยังเหน็บหนาวเงาเลือ ก, กันมีคนเป็นล้านก็เท่านั้นในเมืองที่มีผู้คนมากมายยังเงาในใจ